ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องยิ่งลดยิ่งใหญ่ยิ่งให้ยิ่งรวยโดยพ่อท่านภูทิปราเมื่อวันที่11เมษายน2536ที่พุทธสถานสติอโศกขอเชิญท้าทิตาทั้งฝั่งได้นะบัดนี้ ผูยังมั่นใจในศาสนาพระพุทธเจ้าอยู่ทั้งหลายธรรมะของพระพุทธเจ้าที่อาตมาเข้าใจและอาตมาก็เอามาประพฤติธปฏิบัติกับตนเองจนเกิดผลกับตนเองจนเชื่อมัน่นจนเห็นแจ้งเห็นจริงในตัวเองว่าตัวเองเป็นได้เช่นนี้เช่นนี้กายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีโดยเฉพาะมโนกรรมถ้าได้แล้ว เห็นแล้วจริงแล้วอาตมาก็นําความจริงเหล่านี้มาเผยแผ่อธิบายโดยภาษาตนเองมากตอนหลังๆมาก็มีภาษาของพระพุทธเจ้าหรือภาษาของบรรดาอาจารย์ทั้งหลายทั้งหลายแหละนี่อธิบายบรรยายอะไรอ ไ, รไว้บ้างอาตมาก็ได้เรียนรู้ได้รับทราบบ้างก็ออกมาเทียบเคียงกับของเราพอขยายความกลัวเคลียยังไงกันได้ขว่ากันไป อันไหนโ ก, กรธดกันไม่ได้ขัดกันแย่งขัดแย่งกันก็ว่ากันไปเลยแย่งก็แย้งขัดก็ขัดอัตมาไม่มีปัญหาอะไรสิ่งใดที่ควรจะต้องพูดกันชัดเจนขึ้นมาว่ามันขัดมันแย่งเราก็ว่าไปเลยตามความจริงใจนะแล้วพยายามประมาณนะบางทีก็รู้อยู่ว่ามันขัดแย่งแล้วมันเกิดการไม่ชอบใจขัดแย้งแล้วเกิดการบาดหมางขัดแย่งแล้วเกิดการโกรธแค้นจนที่สุดถึงขั้น ทำลายล้างก็เข้าใจอยู่ก็ได้ประมาณกระทาและผลในการเปิดเผยที่ชัดเท่าใดและพยายามบอกชี้ทั้งยืนยันหลักฐานอะไรต่างๆนานามันชัดมันก็จะไปขัดแยงใจผู้ที่เขาติดยึดโลกียะเนี่มันติดยึดโล ก, กุตระนี่มันก็ละวางโลกียะมันก็เสพ ปลูกโปรตีนเสียงสภาพเสรอร่อยเสพความสุขแต่ส่วนโล ก, กุตระนะั้นมันเรียนรู้ความสุขแล้วก็เลิกความสุขมันมีสุขพิเศษอยู่อย่างนึงก็คือวูปโสมโมสุขนี่แหละสุขที่ไม่ไม่เป็นรสของโลกีทั้งหมดไม่ชื่นใจไม่บำเบอรอใจแต่คนเราเนี่ยยากที่จะรู้ได้ว่าเมื่อเราไม่บำเบอรอใจแล้วเนี่ย เราจะอยู่สุขอย่างไรความสุขที่ไม่บมเรอใจความสุขที่เห็นความจริงตามความเป็นจริงและมันมีตัวจำได้มีตัวสัญญานี่จำได้จำได้ว่าความสุขมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเราก็เข้าใจเราก็ก็เข้าใจอ่ะถ้ามันมีอย่างไดอย่างไรอย่างโลกเขาเป็นเราก็เข้าใจทีนี้เราไม่ติดอย่างโลกแล้วแม้ที่สุดน้อยที่สุด ไม่ต้องบำเรออะไรเราก็อยู่ได้สบายมันก็คือหมายความว่าจะบมเรรถอร่อยทั้งโลกเป็นสุขหรือเฉยๆไม่ต้องบำเรอก็เห็นก็เออเข้าใจคนเขายินดีเขาอริดอร่อยเ็เป็นเรื่องของเขานอกจากเป็นเรื่องของเขาแล้วเราก็เอออวยเออ อ, อหออกก่หมกเขาบ้างแต่พราะกันนั้นเราก็เห็นว่าในขณะที่เขาติดรถสุขนั่นแหละ เขาอาร่อยในรถสุกนั่นแหละมันเป็นทุกข์ของเขาคนที่ติดรสสุกอร่อยรถสุกนั่นก็คือความทุกข์ที่ยังยืนคือความทุกข์ที่เขายังติดอยู่ติดมากก็ยังยืนมากติดน้อยก็ยังยืนน้อยมันเป็นความยังปล่อยไม่ได้วางไม่ได้เราก็เข้าใจเราก็รู้แต่เราก็เออ อ, อหอหมอกเราก็พยายามที่จะหาทางแต่เขาก็ต้องอาศัยะคนที่ติดยึดเนี่ยเขาต้องอาศัย จนกว่าเขาจะปล่อยวางได้ไม่มีสุขเรารู้สึกกับโลกของเขาไปได้อย่างนั้นเองส่วนของเรานั้นไม่ได้สุขไม่ได้ทุกข์อะไรแต่ความสบายใจความปล่อยวางได้ความล้างกิเลสได้แล้วนี่มันเป็นอาการที่คนเราไม่ก็จะเข้าใจในยังไงเ <Yeah. S 1> มื่อาฝึกเรียนรู้ว่าเราจะวางได้อย่างไรก็มหัศตั้งแต่ไอสภาพที่เราไปติดยึดอะไรกันแล้วแต่ที่ชัดเด่นแล้วเราแน่ใจว่าหยาบแน่ใจว่าไอ้นี้ชัดละ วางดีกว่าเลิกดีกว่าไม่ต้องอริดอร่อยก็อย่างนี้ยาเสพติดเป็นต้นแล้วก็หัดวางหัดล้างแล้วก็อ่านอาการทางจิตเจตสิกอัตมาสอนเรื่องจิตเจตสิกเรื่องอารมณ์ทางจิตทางประมัดหรือทางพระพิธรรมนี่มากขึ้นบรรยายโดยภาษาธรรมดาให้เข้าใจความหมายแล้วก็ยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้เพื่อที่จะสื่ออัตมาพยายามสื่อเพื่อเข้าใจถึงอารมณ์ทางจิต ให้เราเข้าใจได้ระลึกได้ตามได้จนกระทั่งเรียนรู้ตามแล้วก็ฝึกฝนเอาให้ให้เขาให้รู้แจ้งให้เกิดเป็นแล้วก็ตัวเองก็รู้แจ้งรู้ชัดในอารมณ์ที่มันเลิกล้างโลกียรสวางสนิทกิเลสที่มันจะชื่นชมอเด็ดอ ร, อร่อยไม่มีจางคลายอะไรพวกนี้ก็พยายามหาตัวอย่างให้พวกเราได้มาทดสอบทดสอบเพื่อที่จะเรียนรู้ถ้าเรามีตัวอย่างสักอันหนึ่งเมื่อเราล้างเราเลิก เพพาะสิ่งที่เรายิ่งติดอยู่ติดอยู่แล้วมันก็เป็นรถเราเคยติดเสร็จแล้วพอเ ร, เราจางคลายพอมันว่างหมดจากมันไม่มีรถละว่วางๆเราก็จะได้ตัวอย่างอันนั้นนะชัดๆว่าโอ้เราจะจำได้นะเนราเราเคยมีความจำมาแต่ก่อนนี่เราอร่อยมันเป็นอย่างนี้กับเหตุปัจจัยอันนีน้ที่มันอร่อยมันเป็นสุขนะเราได้อย่างนี้อย่างนี้มาถ้าเราไม่เป็นสุขแล้ว มันเฉยแล้วเนี่ยอุเบรขาหรืออุอุทกขมสุขแล้วมันเป็นรถยังไงอาการยังไงเนี่ยอาตมาก็พยายามหยิบเหตุปัจจัยคุณจะไปติดบุหรี่ติดเหล้าติดลิปสติกติดการแต่งตัวติดเครื่องหนุ่นห่มติดอะไรก็แล้วแต่ที่อาตมาพยายามจะหยิบมาเป็นรูปธรรมเป็นสิ่งจริงให้มาลองฝึกฝึกแล้วลองละลองลดลอง นายลองคลายลองจา่จายจนกระทั่งกิเลสมันลดๆดูซิแล้วเราก็จะได้ว่าเออคนที่ติดสิ่งเหล่านี้มันไม่มีประโยชน์อะไรบุรีเล่าหรือแม้แต่กระทั่งติดไ อ, อเครื่องสําอางติดเครื่องแต่งตัวอะไรมากมายอะไรในเหล่านี้สวยๆงามๆพวกนี้มาฝึกหัดจริงๆละทิ้งดูจริงๆไม่ต้องไปสวมไปใส่ไม่ต้องไปเอามาบมเรบํารุงอะไรเห็นจนสุดท้ายเราเห็นแล้วก็เออกลาง มันไม่มีสุขไม่มีทุกข์อะไรหรอกคนเขาสุขแล้วเขเข้าใจตามเขาเราก็เคยสุขเคยหลงว่าเป็นโลกรีสุขแต่เราวางได้แล้วเนี่ยเราก็เห็นว่าอ อ, อาการทางจิตที่รถอทุกข์กรรมาสุรูเบขานี่มันเป็นอย่างไรเป็นตัวอย่างงี้เป็นต้นถ้าใครทําได้ก็จะรู้แล้วก็มันก็มีสูงขึ้นไปอีกได้ลาบมามันสุขอยากได้ลาบอันนี้อยากได้เงินอยากได้ทองอยากได้เข่าอยากได้ของอยากได้อะไรก็แล้วแต่ พอได้มาสมใจเรามันสุขแล้วก็หัดละหัดวางไปเรื่อยแล้วมันก็จะอุดอัตุกรรมสุขเหมือนกันอยากได้ยศได้ชั้นอยากได้สรนเสริญอยากได้เสพทางตาหูจมูกกลิ้นกายใจอยากได้รสอร่อยอย่างนี้ทั้งอยากได้รูปสวยสมใจอยากได้เสียงไพเราะสมใจอยากได้รสอร่อยทางลิ้นทางจมูกทางการสัมผัสเสียสีเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรก็แล้วแต่แล้วมันจะกระทั่งถึงจุดสุขเป็นสุขนะ มันมันมันปรุงแต่งมันประสบความสัมผัสแล้วมันก็ได้รับอารมณ์สุขอย่างเสพสมสุขสมเนี่ยอาตมาก็พยายามนะพยายามที่จะอธิบายพยายามที่จะให้ฝึกขัดเลิกละลดสูงไล่ขึ้นมาตามระดับราดับรดับรดับก็พอได้นะพอได้พวกเราก็ละลดไอเรื่องของวัตถุยาบลดลดมาได้จริงๆสามารถกล้าทิ้ง กล้าละกล้าวางกล้ามาเป็นคนที่ไม่ไม่ต้องมีสิ่งเหล่านั้นก็เป็นสุขได้ความสุขที่ว่างๆความสุขที่เป็นภาษายืยมเรียกยืมสุขมาเรียกกันที่จริงมันอุบเบกขาหรือมันอุทุกขมสุขมันไม่สุขไม่ทุกข์หรอกแต่ยืมมาเรียกว่าเป็นวูปสโมสุขหรืออุปสมรสุขเนี่ยถ้าเราเป็นได้จริงแล้วนะมันเกิดสภาพบรรลุ สภาพเป็นได้จริงและกับปัญญาเห็นชัดจริงแล้วบรรลุเป็นอุปโภคภัณฑวิมุตติวิมุตติทั้งจิตก็เป็นได้จริงปัญญาก็รู้แจ้งว่าเออเราเป็นได้แล้วละ ว, ว, วางได้แล้วเราก็ไม่ติดยึดอะไรจริงแล้วมันก็จะไม่กลับกําเริบแล้วมันก็จะอยู่กับสิ่งเหล่านั้นได้อยู่ได้ก็จะยัวะย่วะโยนยังไงมันก็มีอารมณ์ขึ้นหรอกนะตั้งแต่บุรีเล่าหรือว่าสิ่งเสพที่จำจใจคล้ายขนาดไหนก็แล้วแต่มาจนกระทั่งถึงการ ม, มาถึง รูประกลิ่นเสียงสะพัดหรือว่าโลกธรรมลาบยศสันเสริญโลกีสุอะไรจนกระทั่งถึงอัตตาอัตตามานะคือสิ่งที่เรากำหนดอยู่ในใจของเราความถูกความผิดเราก็ยึดตัวเราว่าเราเข้าใจนะเรามีปัญญาเรารู้อันนี้ถูกอันนี้ดีเราก็อยากให้มันได้ดีอันเนี้ยพวกเรานี่แหละเมื่อมันไม่ไม่ไม่ไมาปฏิบัติมันละอัตตามานะมาไม่ถูกลาดับ ล้วละอะไรอะไรทางโลกีนะรูปลกดินเสียงสัมผัสละเงินละทองละเขาละค้องมาได้แต่อัตตาโตนี่พอเราเนี่ยหลายคนตอนนี้รู้สึกว่าทำงานทำการไปแล้วก็อัตมาให้ทำงานทำการนี่ตัวละอัตตาตัวตนดีที่สุดงานการนี่แหละละอัตาโตาตัวตนดีที่สุดแต่มันกลายเป็นว่าทำงานทำการมากเขาก็ยิ่งมีอัตตาโตมาณนะโตขึ้นสังเกตได้หลายคนทางานมากเขาก็ยิ่งยึดยิ่งติดยิ่งพยายาม สอนตัวไรท่าไรก็ไม่คลายไม่ออกนาเก้าก็เครียดนาเก้าก็อยู่ก็มูไม่ได้จะขอแยกไปทำคนเดียวแล้วทางตัด <c oughs> ที่กลาก็ไม่มีเรื่องมากมายที่จะพาออกนะไอลาบยศนยิ่งเห็นสบายแล้วอาบายจะมุกไม่ต้องพูดเลยอาบายจะมุกพวกเรานี้ <c oughs> ในฐานะคน <c oughs> ในฐานะคนมีบุญบา ร, รมีพอสมควรแล้วนี่อบายามุกนี่มันง่ายอบายามุกก็อย่างที่พูดไปแล้วไม่ต้องอธิบายขยายความมากหรือสิ่งเราไปติดกามเรื่องผู้หญิงผู้ชายเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผสัสหยับหยาบนี่ก็ เ, เรียกว่าอบายามุกลาบยศหยับหยาบเนี่ยในขั้นจัดจานในด้า น, น, านที่จัดจ้านติดยึดแรงๆอยู่นี่ก็อบายามุก หลาบยศแล้วก็รูปลดถึงเสียงสัมผัส ต, ต่างๆการมงคลห้าเนี่ยหยาบๆแดงๆอยู่ก็เรียกว่าอบายมุมขเหมือนกันเราก็เลิกมาได้ก็มาเหลือกลางๆแล้วก็มาลดกันกลามก็ดูพอได้นะในหมู่ฟูงที่มาอยู่ในภาวะใกล้ชิดเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงผู้ชายกระทั่งขนาดทือศีลแปดกันได้ที่จริงแล้วศีลแปเนี่ยระดับสกทาคามีนะศีลห้าเนี่ยโซดาบัน สิ้นแปในสกกาคามีศี้นสิบขึ้นไปในอนาคามีแล้วเรามาอยู่วัดนี่ที่จริงมันเลื่อนขึ้นศี้นสิบเชอะนะมันไม่ยินดีใ น, นในเงินในทองบ้านช่องเรือนชานเข้าของอะไรเนี่ยโอ้ดูเป็นไปได้นะแต่เสร็จแล้วเราก็ต้องวนเวียนกลับบ้านต้องไปติดยึดต้องไปใช้เงินใช้ทองเพื่อไปอยู่บ้านอยู่กับโลกโลกีลกขเขาถ้าไม่อยู่ในแวดวงของพวกเรานะไม่ใช้เงินไม่ใช้ไม่ใช้ทองไม่ได้หรอก คุณจะบอกว่าคุณไม่ติดเงิน ไ, ไม่ติดทองแล้วอย่างไรอย่างไรคุณก็ต้องไปใช้เงินจะถองเมื่อเมื่อใช้เงินจะต้องคุณก็ต้องหาเงินเมื่อหาเงินมันก็ต้องเวียนกลับแล้วตอนี้หนักเก้าก้อนเน็ตก้อนเนยก็อนุโลมแล้วสิ่งใดทึ่ยังไม่ถึงขีดอุปโตภาณฑ์เข ม, มุดมันก็จะวนเวียนกลับไปกลับมาจะด้วยปัญญาหรือจะด้วยเจโตที่มีริแรงกดข่มก็ตามถ้ามันไม่ถึงรอบติ่สมบูรณ์แบบแล้วพระเดี้ก็เลื่อนไหลลงไปก็ตกตามไปหนักเก้าไม่ยังก็มาอยู่วัดในยังก็อนาคามีนะ หนักเข้าไปไปหนักเข้าไปแต่งงงแต่งงานอีกมีอาบายมุขอีกกินเหล้าสูบยาไปนู่นได้เลยไม่ว่าจะปัญญาด้านปัญญาเก่งเชี่ยวชาญบรรยายได้เก่งสาธยายได้เก่งแต่เจโตไม่จริงจังอย่างไรก็ตามหรือเจโตดูเหมือนกับแม่วิมุติได้เก่งพูดมันก็เก่งแต่รู้สึกว่าโอ้โหร่อนสะอาดเราดูอยู่ด้วยกันควบคุ้นกันยังกระหม่อลหาันหรืออนาคามียวิมุติจิตใจไม่วบบไม่วั บ, บแต่มันยังไม่ สมบูรณ์เลยจะอุปโตภาคเคยมดุดพอเวียนกลับไปไประเดี๋ยวคืนแล้วเลื่อนต่ําลงไปได้หยาบคายลงไปได้นักเข้าทุกข์ก็น่าไปเสพระดับอบายยมุกสีหน้าเยารักษาไม่ไหวเลยเอาสีหน้าไปจับแล้วไม่บริสุทธิ์สะอาดบางคนก็พอได้บางคนก็ได้ในระดับโสดาเลื่อนลงไปต่ําก็ไประดับโซดาเสร็จแล้วอัตตามาณนะเนี่ยมันก็อาย มันก็ถือดีเลื่อนเข้ามาหาหมู่กลุ่มที่จะแข่งขันสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาอีกมากกว่านั้นยากสิ่งแวดล้อมและหมู่มิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมก็ไม่ค่อยเอื้อเพราะมันไม่เป็นทางโปร่งถ้ามาอยู่กับหมู่ที่มีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีมีสปายสีดีๆเจริญเจริญเสนาสนะก็ดีบุคคลก็ดีอาหารก็ดีธรรมาก็ดี ถ้าสปายะศดีๆเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีนี่นะมันเอือ้อพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ไปเป็นทางโปร่ทางโปรงดุ ด, ดสังขัดบริสุทธิ์โดยส่วนเดียวแต่นั่นแหละแม้จะอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ดีป่านนั้นไอ้เรื่องอัตตาเนี่ยมันก็ไมอาตมาแล้วสอนไม่รู้จะสอนอยังไงอาตมาเองก็ไม่เก่งกว่านี้เลยนะบางคนนี่จะเห็นเห็นอยู่นี่อย่าว่าแต่คารวะหรือแม้แต่เป็นสมณะ ยังเลื่อนไหลลงม า, าเลื่อนไหลลงมาได้ต้องซึกซึกแล้วก็อยู่กับหมูก็ไม่ได้ก็ต้องออกเป็นเดียวเข้าไป น, นู่นน่ะอยู่กันโลกเข้าไปปนเปเลเะเละ เ, ละ เ, ละเละทะเอะไรอะไรไปอีกเห็นได้ว่าเออคนเรานี่นะบางคนก็ดีขึ้ น, นาบางคนก็ดีขึ้นบางคนก็ลดลงตกต่ําลงบางเขาก็ดีขึ้นพอไปได้ไม่ว่าจะสมณะหรือครว่าที่มาอยู่กับหมู่บางทีก็เอาเอาไปเอามาก็ต้องเลื่อนไหลออกไป ด้วยอัตตามานะนี่แหละแรงงานหรือว่ามาร่วมรวมทํางานกันอยู่ในเนี่ยมันมันอัตตาอัตตามานะมันขึ้นอยู่ก็ทำงานแรงงานไปก็ว่าไม่เอาเงินไม่เอาทองก็พอได้อะแต่ทนไม่ได้ที่มันไม่ได้ดังใจทนไม่ได้โดยไม่ได้ไม่ได้ดังเราคิดดังเรามีพบหวังวาดหวัน่นเชื่อว่าเราเองเราคิดถูกเราก็าเราคิดดีขัดแยง้งความรู้สึกพวกนี้ย มันก็ไม่สมใจไม่เหมาะใจสักอย่างสักอันหนักเข้านานเข้าหลายครั้งเข้าอัตตามันก็ไม่ยอมแตกไม่ยอมแตกเมื่อมันโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นมันก็ต้องพรากกันต้องห่างกันรวมกันไม่ได้ก็ต้องไปเอาคนเดียวอะเพราะอัตตามันขึ้นมากๆมันก็ต้องกูคนเดียวอะคนอื่นไม่เกี่ยวอะกูไม่เอาก็ใครอะไอ้เรื่องนี้อัตมาก็พยายามพร่ำสอนพยายามแนะนํา ถ้าเพราะว่าเราแก้ไขอัตตาไม่ได้อย่าหวังเลยว่าจะได้สูงส่งขึ้นไปอีกแม้คุณจะละกามการมาตัญหาเพว่ตัญหาวิเพว่ตัญหาเพราะวตัญหานี่คืออัตตามานะเพราะว่าตัญหานี่คืออัตตามานะถ้าลดอัตตามานะนี่ไม่ลงนะมันก็ไม่ได้อะดีไม่ดีไอ้ตัวที่ยังไม่สมบูรณ์แบบกลับมกเวียนไปสู่โลกอีกกามาตัญหาไอ้ที่มันยังไม่สมบูรณ์ก็เข้ามาหมุนเวียนคืนอีกแล้วเท่านั้นเองนะ เพราะในขณะที่เราเองเราใช้วิภาวะตัณหาเป็นตัณหาอุดมการ์มาพยายามที่จะล้างภวะตัณหามันก็ยังไม่ค่อยเก่งกันเลยอาตมานี่แหละไม่เก่งที่บรรยายพยายามบอกให้ไม่ไม่ค่อยรู้หรือไม่ค่อยชัดยังไงก็ไม่ถูกนะอาตมาก็พยายามนะไม่ได้หย่อนข้อแต่จริงๆแล้วก็มีผู้ได้มีผู้ได้นะผู้ที่ภาคพียนขึ้นผู้ที่เห็นผู้ที่กระทำสอดคล้องขึ้นมา อัตราการลดน้อยลงบ้างไปตามลำดับตามลาดับตามลาบากลาดับซึ่งมันก็พอเป็นไปนะหมู่กลุม่มหมู่ฝูงจะเห็นได้ว่างานเรากว้างขึ้นงานเรามากขึ้นวงจรของสังกปะวาจากรรมตะอาชีพเพราะคนต้องมีงานการมีอาชีพทั้งนอกและในอาชีพที่เราจะพึ่งตนเนี่ยเราก็จะต้องทำเองหมดทำนาก็ต้องทำกันเองหรือแวดวงในหมู่ใ น, น, นกันเองแล้วก็เป็นระบบในนเนๆนใน ๆ, ใน ๆ, ในๆ จะเป็นรูปลักษณะจะเป็นการสัพพัฒจะเป็นระบบของเศรษฐศาสตร์นะสัพพัฒหรือว่าสร้างสรรค์สัพพัฒเนี่ยระบบของเศรษฐศาสตร์ก็ในไหนมันจะมีรูปร่างของเหมือนโลกจะเป็นงานทางด้านขแขนงไหนก็ตามนะมันก็จะมีคนทํางานถ้ามีคุณธรรมมากขึ้นก็ทํางานนี้แล้วก็เป็นไปเพื่อทำทำมากมันจะยืนยันมันจะชี้มันจะบอกมันจะปรากฏเลยว่า ผู้ที่มีคุณธรรมนะก็ทํางานนั้นได้เต็มที่อัตามานหน้าฤกเกเรกามกิเลสตัณหาน้อยเท่าใดเท่าใดคุณธรรมของวิภวะพบวิภวะตัณหาคือตัณหาอุดมการณอยากทํางานก็จะมากขึ้นยิ่งอยากทํางานมากขึ้นผู้ที่มีญาณปัญญารู้จักการการทํางานด้วยวิภวะตัณหามันก็จะลดกามลดภวะตัณหาลดลงไปยิ่งละเอียดละออนขึ้นไปเรื่อยๆ ถ้าเราก็เรียนนีเพราะว่าตัณหาด้วยก็หัดปล่อยหัดวางว่าเราทำดีอย่าไปหลงดีอย่าไ ป, าปติดดีตั้งๆที่ดีนี่เป็นบุญของเราดีนี่เป็นคุณค่าของเราเป็นอัตตามะชนิดสูงสง่งชนิดพิเศษถ้าเราไม่เรียนรู้วิภาวะตัณหานี่อีกละลดปล่อยวางนี่ไม่ได้อีกนี่แหละไอตัวอัตตาวิภาวตัหานี่ยมันมาซอนทาให้อัตตาตัวตนหยาบที่ตามความคิดของเรา าตามความเห็นของเราบางทีไม่ได้ตัดสินแล้วว่าถูกตัวเองก็นึกว่าขอ ง, องตัวเองถูกนี่นแหละจะเป็นพบเป็นอารมณ์ไม่ได้สม อ, อกสมใจในเรื่องใดๆกัแล้วแต่แม้แต่พบสงบพบขี้เกียจพบหลีกลี่เป็นอัตตามานะทั้งนั้นพบไม่เอาทานก็เป็นอัตตามานะขี้เกียจสันหลังยาวหลบเลี่ยงนี้ฉลาดในการหลบลี่สอกซอนไปไม่ได้สร้างได้สั้นอะไร อ า, อาศัยแสกแสกซอนซอนอยู่กับหมู่ก็ไปเท่านั้นเองจนกว่าจะตายแกกินอยู่อยูๆใช้ไปก็ตามเรื่องตามราวหรือฉลาดฉลาดที่จะกรบเกลือนเซ๊แซ้งงานเบางานหนักไม่เอาอะไรงี้เป็นต้นเอาแต่ ง, งานเบาๆกิ่งเลี่ยงลุนลุนไปคนที่ทํางานเบานี่จะเก่งพูดจะเก่งคิดเพราะพูดมันไม่ยากอะไรมากมายนี่มันไม่หนักหนาอะไรแต่เก่งพูดเก่งคิดแต่เขาเลี่ยงไปทํางานพูดงานคิด งานหนักงานที่จะต้องต่อสู้งานที่จะต้องแบกต้องหามต้องขนต้องอะไรนี่ไม่ก็จะเอาฐานงานที่จะร้อนจะหนักจะยากจะลำบากไม่เอาลักษณะอย่างนี้ก็เป็นลักษณะอัตตาชนิดเหมือนกันถ้าพทธิสมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจจริงๆเลยว่าแม้แต่ ง, งานหนักเราจะไม่กลัวจริงๆและเราจะรู้คุณค่าได้ว่าถ้าเราได้ออกกาลังกายได้ทางานหนักสักบ้าง มันจะรู้สึกว่าได้ความจริงว่าเราได้ออกกำลังกายคนเราไดยความจริงเราต้องออกกำลังกายได้ออกกำลังกายแล้วเป็นคุณค่าเป็นประโยชน์จะรู้สึกอยากทำอยากทำเป็นวิภาวะตัณหาอยากทำมันจะไม่นึกรังเกียจมันจะไม่นึกขีดเกียจจริงๆเลยอ่านใจเราได้เลยมันจะไม่นึกขีดเกียจมันจะไม่นึกรังเกียจแม้ว่าเราจะเป็นคนไม่ได้มีโอกาสเพราะเราไปถนัดเทศ ไปถนัดคิดเราก็จะไปทํางานในด้านคิดในด้านเทศอันนี้อาตมารู้ดีเพราะอาตมาเองไปทํางานด้านคิดด้านเทศนิมากกว่างานออกแรงพราะทะี่อาตมาพูดนี่ขอยืนยันแล้ ว, ว่าไม่ผิดหรอกเพราะอาตมาเป็นตัวนั้นจริงๆริงอาตมาอยากทําใจเราจะรู้ใจเราเลยเพราะถ้าใจเราไม่อยากทำนะใจเรารังเกียจใจเราขี้เกียจนั่นแหละอาตมานะล้างมันฝื้นไปทําฝื้นไปพยายามแล้วจะไปเห็นผลจริงว่า อ๋อมันเป็นคุณค่าจริงๆและเมันเกิดการประสานสมานมันลดการไม่เสมอสมานมันจะลดศักดินาลงไปได้เลยถ้าเราจะไปคุกคีเกี่ยวข้องวามกับเขาเขาผู้ที่ทํางานงานในฐานะแบกหามหรือว่าทํางานหนักทํางานพวกนี้ต้องเปื้อนั้งเลอะต้งเละอะไรพวกนี้คุณคิดด้วยสามมันก็ได้ว่าถ้าเราเนี่ยนะลดตัวลดตรงลงไปลุยด้วยนี่นะเขาจะดีใจหรือเขาจะเกลียด เราโทมันสมานชั้นหนึ่งเลยเราจะเห็นได้ว่าโอ้มันเป็นสามัคคีธรรมมันเป็นสมานตุตตามันเป็นความเท่าเทียมกันมันเป็นความเสมอภาคมันเป็นความจริงที่จริงลงไปเราจะเห็นคุณค่าความสมานของสังคมอันนี้มนุษยชาติสมานประสานกันปริเป็นอมสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างชัดเจนเลยไม่เชื่อพิสูจน์ดู อาตมาพูดไม่จริงเราเอาไปฆ่าเลยแต่คนไม่ทำนั่นน่ะไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกเพราะเราจะเห็นคุณค่าอันนี้จริงๆเลยคุณค่าความจริงอันนี้ว่าเรายิ่งทำเป็นแหมหาเลี่ยงๆียโลกคนเรามีปฏิภาณมีความเฉลียวฉลาดนะนี้งานหนักสมัครงานเบานี่ซอกซอนได้สารพัด นี้หลบไปทํางานเบาทํางานนุงานนี่งานอะไรต่อะไรทําให้นุ่งจบเกลือนหนักจริงๆไม่เอาเอาหนักนิดๆอะไรอย่างเงี้ยมันมีขั้นตอนอย่างเยอะแยะอย่างงานรังเกียจงานขยะงานอุจจระงานสวะงานอะไรพวกนี้โอ้ยเรารังเกียจเราไม่เอาเลี่ยงแต่ถ้าเราลงไปลุยงานขนขี้ร่วมกันหลายๆคนเนี่ยมันจะเป็นยังไงคนที่ลงไปลุยตักขี้ด้วยกันเนี่ย เป็นคนสูงยิ่งสูงเท่าไรมันยิ่งโอโห่น้ําใจมันมาพึบๆเพเลยนะมันเห็นความเสมอภาคมันเห็นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่เราได้แต่ไม่ทําได้แต่ไม่ทําได้แต่ชี้ได้แต่บอกได้แต่อะไรต่อะไรแล้วก็เลี่ยงโนเลี่ยงนี้ไปนี่นะมันไม่ประสานหรอกความจริงมันไม่เกิดหรอกถ้าเราดีจริงเราเอาแต่พูดเราได้แต่พูดหรือว่าเรามีแต่เวลาพูดกับเวลาคิดมาก เวลาไปประสมภาษาในเราได้น้อยเขาก็จะรู้ว่าฐานะอย่างเออใช่แล้วละ่ะฐานะอย่างนี้นะมีเวลามาลุยกับเราไม่ได้หรอกเราหมดปัญหาแล้วเราไม่ตั้งค้อรังเกียจและเราไม่ตั้งขอ้งงขอถือสาเราไม่เกี่ยงงอนท่านหรอกเรายอมไม่ยกให้เขาจะยกให้เองเราทอมทําจนเขาไล่เราออกมานั่นเถอะ มาจะลุยขี้ด้วยบอกไม่ต้องท่านไปน่นเลยถ้าไม่ต้องมาลุยขี่ตักขี่ผมเองดิฉันเองเขาจะไล่เราเองแต่นี่เขพูดอยู่ยังไงประชดยังไงก็ทําเลี่ยงทําภาษาพูดเก๋ตัวขี้เกียจกับตัวรังเกียจสองตัวนี้อาตมาอยากให้พวกเราศึกษาให้ละเอียดละ อ, อ, อ้อละอ่านมันเถอะมันลึกลับมันลึกซึ้งมันลึกซ้อนมันเละเลี่ยมมันหลอกล่อไม่หลอกใครมากเก่งหลอกหตัวเองเนี่ยเก่งที่สุด แล้วก็เอาตัวเองในฉันหาทางฉลาดเป็นหลอกคนอื่นต่อหาเหลี่ยมไปหลอกคนอื่นต่อความเป็นหนึ่งเดียวความละลดอัตตามานะไม่สมบูรณ์สุดมันอยู่ตรงนี้อันหนึง่งกับไอตัวที่ทํามิภาะตันหาทมภาวะตันห า, ะะหานี่มันไม่ลดจริงแล้วมันก็ถือดีติดยึดแต่ที่พูดไปตอนต้นว่ามันถือดีเราทําดีเราจะต้องทําอย่างเราเนี่ยเราต้องคิดถูกเราต้องทําถูกใครๆก็ไม่เคยจะประสานไปไม่จะเห็นเห็นโดยเราเลย ถ้าเราไม่ยึดติดความรู้ของเรานะทำไปเถอะทําไปเถอะเราคิดอย่างนี้ดีแล้วเสนอแล้วหมู่ไม่เอาหมูไม่เอาก็ทําไปตามเขาเนั่นแหละไม่ต้องหัดวางใจสะอาดสอาดวางใจว่างๆได้เสนอหมู่แล้วเรามีโวหารเท่านี้เรามีความเฉเลียวฉลาดเท่านี้พยายามยืนยันพยายามที่จะอธิบายแล้วเขาก็เข้าใจได้เท่านี้เราเก่งเท่านี้นี่สุดท้ายเขาก็ไม่เอาตามเราก็วางใจเราไปเลย แม้คุณจะถูกก็ไม่ต้องไปเสด็จดมเสียดได้ไม่ต้องไปอึดอัดขัดเครื่องไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นอะไรหรอกทาไปมันดีเท่าไหร่ตามจริงที่หมู่กลุ่มเราตัดสินมติแล้วมันจะได้เท่านั้นมันไม่ดีที่สุดมันจะรู้นักเข้าต่อไปต่อไปถ้าเผื่อว่าถ้าเราถูกนะันเดี๋ยวมันก็เดินไปหาความถูกต้องที่เราเคยเคยเสนอแนะไว้เองมันจะไปเองสัจจะมันมีหนึ่งเดียวความถูกต้องที่สุดก็คือความถูกต้องที่สุด สัพจะนะมันไม่เวียนหรอกมันก็เดินไปเองมันอาจจะหลายปีมันอาจจะนานก็ทั้งมันก็ตอนนี้มันได้เท่านี้นี่แต่ถ้าเราทําจริงตามที่อาตมาว่านี่แล้วนะเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะได้ละลดกิเลสละโมโหก็จะสมัครสมานเป็นปึกแผ่นประนีประนอมอ่าสอดคลองเป็นหนึ่งเดียวมันจะเป็นเนื้อเดียวกันจริงๆเลยอ่ รางคนที่ทุกข์ติดเครียดที่ลําบากลาบนทุกวันนี้นี่หลายผู้หลายคนเนี่ยโอ้ต้องกลับบ้านเราจะต้องไปหางานทําใหม่เราอยู่กับพวกนี้มันไม่ได้ทําสมใจเราอัตตามานะทั้งนั้นน่ะไม่ถ้าไปพวกนี้มันไม่มันไม่ถึงใจเราเลยไอ้นน่์ก็ขวางไอ้นี่ก็ขัดนักเข้าเอามาเข้าหมูอัตมาเป็นประธานดันตัดสินไม่เหมือนใจเราอีกโอ้โหพ่อก็ไม่เข้าข้างเราเลยกูไปทําคนเดียวดูว่ามันอัตามานะทั้งนั้นน่ะ เอาเธอไปเถอะถ้าคุณมีเนื้อแท้ของอโศกแล้วนะหรือว่าศาสนาพระพุทธเจา้าที่อาตมายืนยันว่าเข้าใจจริงนี้แล้วนะไปแล้วเถอะอีกหน้อยที่หลังก็สมสารกข้มาถ้าอตาตมานะไม่มากถ้าอตาตมานะมากไปแล้วอายแล้วทีนี้จะเข้ามาก็จะยากแล้วตายไปทิ้งไปชาตินึงจริงๆก็คือเสียเวลาเปล่าเสียเวลาอถาถรรอโศกนี่เลวร้ายนะผิดคุณถูกก็แล้วไปเถอะอันนั้นแน่นอนคุณออกไปคุณก็ไปทํามื่อคุณถูกจะมา มันก็ไปเล้วเลอโศกก็ฟอเองแล้วคุณก็เจริญแล้วคุณก็จะงอกงามคุณก็จะมีหมู่มีกลุ่มคุณก็จะมีคณะคุณก็จะมีอะไรต่างเจริญรุ่งเรืองเองอโศก็มันผิดนี่นะอโศผิดเนี่ยไม่นานมันก็ฟอคุณก็เจริญแต่ถ้าคุณไม่เจริญจริงแล้วอโศกก็เกิดกลับเติบโตเติบโตขึ้นบอกสัญญาณให้ว่าดีบกลับมานะอย่าไปแอคอยู่เลยเสียเวลาเสียวาลาเปล่า ไม่ได้เรื่องในราวอะไรแล้วก็ง้องแง่ง้งองแๆไปงั้นอ่ะดีไม่ดีออกไปแล้วบอกแล้วสิงแวดล้อมไม่ดีก็เสื่อมรุดไปไ ป, ไ ป, ไปมามากันหนักเข้ากิเลสทางพราะวจนะหาก็จัดจ้านต้องเอาลาบเอายศเอาสรนเสริญดีไม่ดีอ่อนแอไปอีกหนักเข้าทั้งกามมั่งหรือบางทีมันแต่งงานแล้วมันมีลูกมีเต้าเนี่ยมันมีวิบากคนเรามันไม่ได้แต่งงานเพราะกามหรอกแต่งงานเพราะแม่มันขาดคนช่วยขาดคู่คิดคู่เคียง หนักๆเข้าก็าไปคบเอาคนกามมากก็เลยเอุบิเหต์เสียท่าอ้าวเขาต้องแต่งงานต้องมีลูกมีเต่าทั้งๆที่บางทีอารมณ์กามของตัวเองก็ไม่จัดการอะไรนะส ว, สวยสวยสวยสวยมหาสวยสว ย, สวยตกทั้งขี้เลยเอาเป็นจริงนะคุณ ฟ, ฟังฟังดีๆฟังให้เข้าใจมันไม่ได้เกิดเพราะเพราะกามหรอกนะแต่มันเหตุปัจจัยต่างๆนานานี่ยอาตมาก็ไม่รู้จะช่วยได้ยังไงอ้าไปมีไอเรื่องราวเหานั่นมาอีกแล้ว ก็เป็นภาระของเราเสียไปเสียวเวลาเสียชาเนินเน่นชาไอ้คําว่าเนิ่นชาของพระเจ้าเนี่ยอาตมาซึ้งซงึเนิ่นชา เ, าเพราะา เ, าเพราะวิบากเนิ่นชาก็เพราะไอ้กิเลสนี่แหละกิเลกกับวิบากคนเรามันมีวิบากอยู่แล้วที่จะดึงออกไปเราก็พยายามช่วยนะออแต่พยายามตัดวิบากให้พยายามดึงมาพยายามเข้ามาเถอะมาอยู่นี่หมูจะได้ดึงได้รั้งอะไรให้ไม่ไ ม, ไม่พยายามอ่อนแอไม่พยายาม เอาเอาเอาแรงเพื่อนเอาแต่แรงตัวกิเลสตัวกิเลสตัวอาตามานะตัวก็ดึงไปสู่วิบากตัวเองไงแหละทุกวันนี้นี่ชาวโศกอาตมานี่เห็นว่ามันซับซ้อนคนผู้ที่มั่นคงเด็ดเดียวก็เด็ดเดียวขึ้นผู้ที่ถูกไอสภาพกิเลสเนี่ยกิเลสกางไม่ตีก็กิเลสอาตามาณนะตีนทะลอกทะแลักอเอ็นไปเอ็นมาก็เห็นอยู่ ส่วนคนที่ได้ดีขึ้นส่วนคนที่ใหม่มาใหม่ก็ค่อยๆได้ค่อยๆ อ, อะไรขึ้นมาเพิ่มมันก็เลยเกิดเป็นสภาพทีท่มันสอดซ้อนอยู่ในตัวนี่มวลบางทีก็ดูหลวมบางทีก็ดูแน่นบางครั้งก็ดูเกลียวกลาวบางทั้งก็ดูหลวมๆน้อยๆซึ่งอาตมาไม่ตกใจหรอกนะไม่ตกใจขนาดนี้ไม่ต้อง อ, อะไรมากในวันอาทิตย์นี่ตอนนี้มันน้อยก็ไม่ใช่อะไรหรอกคนเรากิเลสมักง่ายปกิเลสที่มันมันมามันไม่เคยเรียบร้อยซาลามันก็ไม่่อยจะกวางจะขวาง มันหายเหยืไปหมดแล้ะมาก็ครุบครุกกะหรือบางทีมากับไปเดียวก็แล้วมาถึงกับไปเดียวก็ได้รับเราบอกเออดีแล้วนะเดี๋ยวก็ประกาศเขาแรงนะเดี๋ยวจ้คนหินเดี๋ยวเจ้คนทรายอืมันหนักไหมอย่ามาเลยที่บ้านดีกว่าซื้อเทปไปฟังดีกว่ามาก็เมื่อยไอ้กิเลสเพราะคนเรามันมีนี่ไอ้ตัวจริตนิสัยมันไม่ชอบหนักหรอกคนน่ะไม่ชอบร้อนไม่ชอบหนักมันไม่ชอบยากหรอกมไม่ชอบเปื้อนไม่ชอบอะไรพวกนี้บรธรรมดาธรรมชาติ พราะมานี่ก็โอ้โหมีแต่ ง, งานหนักมีแต่ ง, งานเหม็นมีแต่ ง, งานเหมือนกระโสโครกมีแต่ ง, งานมันไม่เหมือนบ้านเราบ้านรับฝุ่นก็น้อยไอฝุ่นไอแบต้นหมากรากไม้ใบไม้ใบหญ้าดินดินหินหิ น, ห น, นมันไม่มีหลอกมัน ม, มันกลับปูเช็ดถูไว้ดีดีไม่ดีก็ จ, จ้างคนใช้ไปแล้วสรลบขวาขวาไม่ดีดุ ม, มันมันก็สะอาดสะอ้านอยู่เงน้นอยู่แล้วก็ติดติดสะอาดเกินไปเงี้ะ ถึงแม้คุณจะอยู่สะอาดอย่างนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นโรคน้อยกว่าหรือว่าอยู่อย่างนี้ก็คือผู้ที่เป็นโรคมากกว่าเนี่ยอยู่กับหินกับดินกับเนี่ยใบไม้ใบไร่กองเงี้ยนอนกับดินกับทรายอย่างเงี้ยก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่นอนอย่างงี้ยนี่เป็นโรคมากกว่าคุณหรอกคุณพยายามจับดูสิว่านี่เป็นโรคเพราะมันนอนกรดนอนดินนอนหินอย่างเงี้ยมันนอนกันอย่างเงี้ยไม่ได้นอนพื้นหมเราปูหินอ่อนหรือว่า ปูปลากหรือว่าปู ด, ด้วยซิลมมกปู ด, ด้วย อ, อ, อะไรก็แล้วแต่เถอะวัสดุสารพัดสารเพสที่คุณดีไม่ดียังปูฟูกปูหมอนปูอะไรเข้าไปอีกเยอะแยะไอ้ยังยงั้นะโรคจะเยอะกว่าไอ้นอนที่นอนสปริงนอนฟูกนอนอะไรอะไรนี่โรคทางด้านกล้ามเนื้อและกระดูกมากกว่าคนนอนอย่า ง, งีด้วยซ้ำอันนี้หมอเป็นคนพูดนะไม่ใช่อัตม า, มาโมเมนะ หมอที่พูดคนนั้นก็คือหมออะไรสามีสามีจิระอะไรสเวตนันนางงามนางงามนางสาวไทยจิรนันสเสวตนานเออหม อ, หมอมแพทย์รุ่งธรรมรัดพีนะสามีคนแรกเขาอนะเขายืนยันเองเขาเคยประกาศอรมาเคยจำได้ข่าวเขาที่เขาเผยแพร่อ อ, อกมา บางคนไปนอนเตียงฟูกเตียงนอนเตียงที่ไม่พื้นพื้นราบระนาบแข็งธรรมดานี่นะคนพวกนี้เป็นโรคกระดูกแล้วเป็นโรคกล้ามเนื้อเยอะเยอะหมอรุ่งทำรัดพีใช่นั่นนะไม่ใช่อาตมาพูดเองนะอย่างนี้เป็นต้นนะหรือแม้แต่บอกว่าเชื้อโรคโถนี่มีเชื้อโรคอะไรคนที่อ่อนแอภูมิคุ้มกันอ่อนแอมานอนที่นี่เป็นเป็นโรคง่ายก็จริงคุณอ่อนแอเพราะคุณไปทํา ภูมิกุ้มกันตัวเองมันแอนติบอดีมันเรวเร็วร้ายมันมันต่ำอะอะไรนี้อน้อยป่วยมันก็ป่วยง่ายสิทึษความซับซ้อนพวกนี้มีเยอะนาตมาพูดไม่หมดนะเพราะงั้นคนเราจะอยู่กับสังคมทุกวันนี้เนี่ยควรสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงไม่ใช่ไปสร้างภูมิคุ้งกันให้อ่อนแอยิ่งขึ้นโดยไปสะอาดมากเกินไปรับอันนั้นอันนี้มาเป็นองค์ประกอบในร่างเนี่ยให้มันเบามันมันฟ้ามันแน่นน้อย มันทนทานน้อยมันก็ป่วยง่ายอะไรนิดนึงเกินนิดหน่อยมันก็ป่วยแล้วแต่ถ้าเบอกว่าเรารับวันนี้ได้แข็งแรงขึ้นรับแดดได้มากขึ้นรับลมได้มากขึ้นรับความชื้นได้มากขึ้นแม้แต่แบคทีเรียหลายๆอย่างเราก็รับได้เก่งคือมันมีเหมือนกับมีภูมิคุ้ไม่ใช่เหมือนแล้วมันจริงอะมีภูมิคุ้มกันในตัวภูมิคุ้มกันไม่พอเราฉีดเชื้อเข้าเลยที่จริงอะคนะ่ะวิธีแก้ชนิดหนึ่งของคนอะแก้ภูมิคุ้มกันก็ฉีดเชื้อเข้าไปในร่างกายเท่านั้นแหละ ก็เราไม่ต้องไปฉีดเราได้ทำธรรมชาตินี่เราก็ได้ขนาดนั้นก็เป็นคนแข็งแรงดีแล้วก็มันการอาศัยกันในในแท้ในร่างกายนี้มันก็มีแบคทีเรียหรือมีเชื้ออะไรหลายอย่างถ้ามันได้สมดุลมันก็อยู่กระพูมีประเทศที่มันอยู่ได้ที่ดีที่แข็งแรงอยู่ในที่ร้อนได้เก่งอยู่ในที่หนาวได้เก่งอยู่ในที่ที่ชื้นได้เก่งอยู่ที่ที่มีแบคทีเรียต่างๆนานาสารพัดอย่างนั้นอย่างนี้ได้เก่งมันก็เท่านั้นเองง่ายๆแต่ไปคิดใ้ลึกซึ้งไปคิดดูให้ดีเถอะ เมื่อคนเราทุกวั น, นี้เนี่ยเรียนกันหรือว่าชี้นํากันมีค่านิยมกันไปในทางผู้ดีตีนแดงตะแคงตีนเดินอยู่หอคอยงาช้างภูมิคุ้มกันต่ำอ่าแล้วก็ชอบเพราะมันเบามันว่างมันง่ายมันไม่หนักมันไม่ร้อนมันไม่ลําบากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเสียหายหมดเพราะเราจะต้องกลับมาชาวโศกกลับมามีภูมิคุ้มกันสูงแข็งแรงทนแดดทนร้อนทนหนาวทน ทนอะไรอันตราย ต, ต่างๆนนาทนแม้กระทั่งแบคทีเรียหลายๆชนิดทนได้เก่งได้ดีนี่คือความแข็งแรงใช่ไหมหม อ, อเรื่องพวกนี้นี่นะไม่ใช่ว่า ม, มันเป็นเรื่องโมเมแต่เป็นเรื่องที่ซับซอดด้อนลึกซึ้งอาตมาพูดเนี่ยอาตมาก็ว่าพูดยังไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะไม่ละเอียดเท่าไหร่เพราะาทุกวันนี้อาตมาพยายามพาพวกเราเรีย่มาฝึกตนให้มันเป็นคนที่แข็งแรงแล้วก็มาช่หนี้งานหนักไปสมัครงานเมา น, นี้ขึ้นหขอคอยงานช่างอะไร ทุกวันนี้เนี่ยโลกมันพร่องเป็นนิดอะไรก็จะไม่มีแล้วดินน้ำลมไฟเสียหมดเราต้องมาแบกดินมาแบกหินมาแบกภูเขามาแบกลำธารแม่น้ำมาแบกต้นไม้มาแบกไปหมดเลยและต้องแบก้ อ, อยืนยั น, นว่าต้องแบกต้องเอาพวกเราเนี่ยต้องมาเป็นกรรมกรเพราะคนมันนานมาแล้วที่มันเรียนรู้ค่านิยมในการเข้าไปเป็นคนอยู่เหนือที่ไม่ต้องทาอะไร ชีนิวเบาง่ายว่างแต่ก็อยู่กินเซโปรกีสุบมเมรอตนไปได้เก่งมันไม่ใช่พึ่งปีปนีไม่ใช่พึ่ง2องพันปีไม่ใช่พึ่ง 5,000 ปีมันเป็นมาแต่ไหนแต่ไหนของปุตุชนเป็นมาแต่ไหนแต่ไหนของปุตุชนมันก็นิยมอย่างนั้นแหละมันไม่เห็นสัจจะความจริงว่าเรายิ่งออกแรงมากเราจึงแบกหนักแล้วเราก็ได้ยิ่งสร้างสรรค์เกือก่อนคุ้ผู้อื่นเราเป็นคนที่เป็นบาปหรือเป็นคนเป็นบุญล่ะ เป็นคนมีกุศลหรืออกุศลล่ะตอบสิมันเป็นคนคนสร้างกุศลไม่เป็นคนมีบุญตั้งหากยิ่งคิดค่าของเศรษฐศาสตร์อย่างซับซ้อนนะยิ่งเราเป็นผู้ที่มาทำในสิ่งที่คนไม่นิยมแล้วคนจะเลิกจะเลิกทำอย่างนี้คนไม่ค่อยเต็มใจทำอย่างนี้แล้วยิ่งค่าทางวิญญาณคุณเชื่อไหมว่ากรรมกรที่แบกขามอยู่ทุกวันนียใจไม่อยากทำหรอก เพราะข้าในยมลึกๆในจิตใจมันอยากไปอยู่หอคอยงาช้างเป็นคุณหญิงคุณนายเป็นเจ้าสาวเป็นผู้ชีนิวมันอยากเป็นอย่างนั้นนะใจไม่ได้ยอมหรอกใจไม่ต้องการหรอกแต่มันจนนํานวนมันดินไม่รุดมันเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ทํางานไม่เต็มที่หรอกเขาทำงานไม่เต็มใจหรอกยิ่งให้เงินน้อยเขาก็ยิ่งไม่อยากได้เขาก็ยิ่งไม่เต็มใจใจนะวัน เ, เราเข้าใจโดยปัญญาแล้วว่าโอ้เราทํานำดีนะเราเต็มใจ ค่าแรงงานเขาเรื่องสูงกว่าค่าแรงงานกรรมกรนั้นมากนี่อาตมาคิดค่าค่าที่ว่านี่คือค่าของบุญค่าของบุญมันมากกว่าค่ากรรมกรทําค่าของบุญมากกว่านะทำงานยิ่งแบกหนักเท่ากับกรรมกรถ้ากรรมกรจิตปัญญาไม่ได้สูงเท่ากับจิตวิญญาเราสะอาดกว่าสูงกว่ามีปัญญารู้กว่าแล้วก็เต็มใจมากกว่าค่ามันก็สูงกว่าคุณฟังค่าบุญค่าบาปนี้ออกไหม อาตมาว่าพวกเราก็ไม่งโง่นะอยู่กับอโศกนี่รับรองอาตมาว่าไม่มีการไม่มีทางโง่หรอกจริงๆมันลึกซึ้งมันซับซ้อนลึกซึ้งคุณค่าของบุญพวกนี้เราต้องมาทาจริงแล้วมาให้ป็นเป็นจริงเมื่อมาเป็นคนจริงแล้วเราต้องทำโลกทุกวันนี้นี่นะแม้มันจะไม่เป็นธาตุอย่างรูปแบบหยาบเหมือนเมื่อยังไม่เลิกธาตกันมันก็เป็นธาต แต่ซับซ้อนก็อำนาจเงินเอาอำนาจเกียรติยศเอาอำนาจเจ้าจะอำนาจนายในไกลๆพวกนี้บังคับเขาหรือมีเชิงหลอกให้ให้เข้ามายินดีสู่หกเราบ้างเพื่อเราจะได้ทําให้เขาได้มาเป็นอย่างเราบ้างเป็นอย่างเรานะคือเป็นเจ้าเป็นนายศักดินาทุนนิยมนะแบบแต่นายอะไรมาคนที่รับใช้เขาก็จะได้ ได้ได้รับถ่ายตัวเขายอมเพราะอย่างนั้นไม่ได้บริสุทธิ์ใจหรอกถ้าบริสุทธิ์ใจแล้วก็จะได้มาจนอย่างเจ้านายบ้างจะได้มาหมดเนื้อหมดตัวอย่างเจ้านายบ้างจะได้ไม่มีสักมีสีอย่างเจ้านายบ้างกลับกันแต่มาพูดให้สุดในสุ ด, ใ ห, สดให้ฟังถ้าคนจริงใจแล้วก็คนมีปัญญาญาจริงๆเออเจ้านายเราเนี่ยเป็นคนแน่เลยไม่สะสมไม่ต้องการเงินทองทรัพย์สินคารลาบจดอะไรจริงๆเลย ในแต่สันเซินยนยอไม่ได้สะสมไม่ได้อยากได้ยศศักฐานะก็ตามก็ไม่ได้ติดยดจริงๆนะแต่ยศก็ดีสันเริญก็ดีนี่มันอธิบายยากวัตถุลาบมันพออธิบายได้ง่ายเพราะว่าไม่มีจริงๆเป็นของตนของตนมันพอสลัดได้ง่ายแต่ยศศักดิ์หรือฐานะความเคารพนับถือยกให้ยกย่องเชิดชูเนี่ยแม่มันอธิบายว่าอย่างพระพุทธเจ้าไม่มียศไม่มีศักดฐานะไม่มีใครเคารพ มันพูดไม่ได้คนยิ่งเคารพเชิดชูบูชาหรือแม้แต่อาตมาให้ยศเหมือนกันนะตั้งแต่ที่อาตมาไม่มียศไม่เอายศนะพยายามที่จะมาทําให้มันเท่าเทียมกับพวกเราทัง้งนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นไม่มียศไม่มีตําแหน่งไม่ต้องมายกยอปอปั้นอะไรเราก็จะไม่เอาจริงๆแต่มันดูยากมันก็เหมือนมียศนะไม่มีสรรเสริญก็มันก็เหมือนมีสรรเสริญนะมันเอาออกยากมันซอน แต่ยังไงยังไงก็ตามเราก็ต้องมาเรียนรู้ใจของเราว่าจริงหรือไม่ถ้ามันมีสภาพเนี่ยถ้าเราหลอกตัวเองเราก็หลอกผู้อื่นถ้าเราชัดของตัวเราเราต้องล้างกิเลส ข, ของเราหมดก็หมดจริงมไม่หมดก็ไม่หมดไม่หมดจริงอะ่ะมันไม่เปิดความจริงของความจริงอะ่ะคุณจะไปหลอกใครอะ่ะเราไม่มียานรู้เราก็โง่งต่อไปถ้าเรามียานรู้จริงๆนะเออนี่มันเหลือเชื้อนะเนี่ยเราติดยอดยังติดฐานะ ศักดิ์ศรีของอัตตามานณะอา ย, ยศฐานะสัมเสญนี้ก็คืออัตตามาณทั้งนั้นคุณจะมีความสามารถเท่าไหร่มีไปคุณจะทํางานได้ ม, มากเท่าไรทําไปคุณค่ามากเท่าไรคุณทําไปแต่เราจะไปหลงยินดีว่าจะต้องเป็นกูเป็นของกูเป็นศักดิ์ศรีเป็นยศชัน้นเป็นความสามารถเป็นความถือดีถือตัวเนี่ยซอนจ อ, อนอยู่ตรงนี้ถ้าเราไม่ถือดีไม่ถือตัว เขามาให้เราก็ต้องฟังแล้วต้องฟังคำว่าคนเขายกให้หลงตัวไหมยินดีมันไหมฟูใจไหมแล้วติดยึดไหมจะลดตัวลงไหมพิสูจ์ตัวเองดู ว, ว่าลดตัวลงนะเราไม่ติดยดชั้นสัมเสริญอย่างนี้ลดพยายามก็ทำการย้อนคืนก็ตามการสลัดคืนก็ทาการทวนกระแสทำไม่จริงไม่เช่นนั้นแล้วไม่มีทางทจะไปถึง อร Hathapoom ไม่มีถึงไม่มีทางถึงเพราะว่าตันหากวีเพราะวตันหาเนี่ยขอยืนยันเลยว่าไม่มีใครสอนหรอกในตลาดสังคมาศาสนาทุกวันนี้สอนละเอียดนะสอนกันอย่างที่อาตมากำลังจะสาธยายอาตมาจะสาธยายเพระว่าตันหากวิเพราวตันหาเนี้ยไปอีกนานเท่า น, านั้นอีกมากเพราะเป็นฐานที่ละเอียดมากาฐานที่ลึกซึ้งฐานที่จะถึงจุดยอดได้ถ้าใครฟังรู้เรื่อ ง, องแล้วก็ไม่ฝึกฝฟนเอาก็ช้า ถ้าใครฟังรู้เรื่องก็ฝึกฝนเอาก็เร็วแบบฝึกหัดต้องทำจริงไม่จริงมันั่แต่คิดแต่นึกมันจะจริงอะไรมันจะไปชักยิเลี่ยตัวเองออกมาได้ไงได้แต่สมมุติไม่ลงมือจริงเนี่ยมันเรื่องนึกซึ้งอย่างนี้เพราะงั้นเราจะเห็นได้แม้แต่มาบวชแล้วก็ตามหรือมาอยู่ในวัดแล้วก็ตามแล้วก็ว่าเราทิ้งบ้านช่องเดินชันเสร็จแล้วนัก้าก็จอกซอกกลไปบ้านเีง ไปถึงบ้านก็พูดกับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องก็ไม่รู้เรื่องไอ้พ่อแม่ก็เหมือนกับพ่อแม่ยางชาวโลกนักเข้าไปอยู่ก็ที่บ้านก็เศร้าสอนคนที่วัดก็ไม่ได้แล้วไม่ได้ดังใจไปสอนคนที่บ้านก็ยิ่งแย่กว่าทีนี้เรปวดหนักเลยเนี่ยระบมเลยกูนกูรนหาที่อยู่ที่วัดแม่ยังไม่รู้เรื่องเท่าไรมันก็ยังรู้เรื่องบังมาที่บ้านยิ่งไ่ได้เรื่องเลย เสร็จแล้วเป็นไงเอา้ายังไงก็เอาวะกลับไปวัดก็อายเว้ยเพื่อนอยู่บ้านมันนี่แหละก็ะเลยกลายเป็นสร้างอัตตามานะใหญ่อีกขยันทีทำงานสิรู้สิเอาใหญ่เลยทำหนักเข้าก็เผลอตัวก็ทำงานทั้งโลกมันก็ต้องหาเงินหาทองพอแม่พี่น้องอยู่ในบ้านมันจะไปยอมเหรอเมื่อไม่ยอมก็ต้องตามใจมันก็สร้างกันเองเอาไปขายก็ขายเองเอาไปค้าก็ค้ า, า, า, านักเขา้าเลยเป็นคนมอบตนในทางผิด มอบตัวในทางผิดทำกิจการนั้นโดยเราเป็นเดี่ยวเป็นแรงเลยพอแหมก็ชอบใจสิท่นี้เพราะว่าเราเรียนรู้เรื่องขยันหมั่นเพียรแล้วก็ฉลาดมาขึ้นสร้างสรรค์เพื่อให้มันดีมันดีก็ได้นี่เพราะเราทางศาสนาไม่ได้สอนให้สร้างสรรให้มันดีไม่ได้จะขยันหมั่นเพียรมีสมรรถภาพสูงยังไงก็ได้คุณก็ทําไปแต่เสร็จแล้วคุณก็บอกว่าเออเองจะค้าจะขายเองเอาค้าสั่งให้กันแล้วกันเขก็ไปค้าไปขายก็ก็ไปขุดไปรีดไปอะไรอะไเอาตามโลก เราก็คือตัวรับใช้ยอยู่ในทางโลกก็ไม่คิดมากครัเพราะว่าเรานี่มันเรื่องของกิจการของพ่อแม่กิจการของกลุ่มของตัวเองอะ่ะตัวเองก็ไปเป็นมาชายในที่นั้นนักเข้าก็นี่คือสภาพมอบตนในทางผิดชนิดหนึ่งอ่าไปทีไปสร้างคลินิกไปออกไปสร้างคลินิกเดี๋ยวพ่อแม่ตั้งหายอ้าวแต่แล้วก็เยันมันเพียนสรภูมส ม, ร, สมรภาพเราโอโ้โหเราไม่เกี่ยวเงินทอนไม่เกี่ยวพ่อแม่หรือว่าใครไปทําบัญชีทําไปเลย คุณก็คือไว้หนักเข้าก็ไปหาโกยเอาทางหูดคุณก็ทํางานสอกส อ, อ, อ, อ, อ, อ, อกเป็นม้าใช้อยู่ตรงนั้นแหละ <c oughs> หรือเป็นอะไรก็ได้เป็นงานอะไรก็ได้งานอุตสาหกรรมงานค้างานขายงานช่างงานเชิงงานงานอะไรก็ไ ด, อไได้อย่างนั้นแหละมันก็เป็นลักษณะอย่างนั้นอัตมาพยายามพูดพูดอธิบายหยิบหลักฐานหยิบเรื่องราวหยิบอะไรมาอธิบายตีแฉออกมาเนี่ย เพอเราได้รู้ไปทั่วมุมถ้ามีปฏิภาณก็คิดเข้าไปให้มันชัดเจนไม่ว่าจะเป็นงานไหนๆทางนั้นอะ่ะงานเบาฉันเหมาะสมจะไม่ต้องไปคลุกกระขี้ขี้ๆเลอะๆเะๆของเนา่าๆฉันเหมาะสมตัวเองนั่นแหละมันตีกินเองเอาให้เขาาไปลงทําแล้วมีหมูมีฟูมีคนช่วยคนอะไรแต่ใดจนกระทั่งเขาเห็นแล้วว่าอันนี้ไม่เหมาะสมกับท่านแล้วไปถ้าอย่างนี้แล้วก็ยืนยันชัดเลยความสายปัญญาที่ไม่สะอาดบริสุทธิ์เร็วและไม่ได้เร็ว ก็บบเพราะตัวเอาเถโกหรือความฉลาดติดอยูตัวเองไปทางของตัวเองเออกไปก่อนโดยทันทันที่จะท้วนยังไม่ท่วนไปก่อนไปเป็นเป็นได้นะหรือแม้เจโตก็ตามลุยเจโตนี่แบกขามลุยหยนักนหนักหเขาจะไล่ขึ้นไปเองบอกเบาใช่มั้งสิหยุดใชมั้งสิอนะ่าเราก็จะฉลาดรูป้ประมาณนี้เหมือนกันบอกเออเราพอจะหยุดได้ล้พอพักได้แล้วเราก็จะพักเราก็จะรู้ว่าเออคนนี้มีมาแทนคนนี้มีมาช่วย แต่ความเต็มใจจะมีหมายมันอยากช่วยแล้วเจตัวมันชอบหนักนะมันชอบลุยมันชอบกลับมือเลยกับตัวกับตนเลยแต่ส่วนพวกปัญญานี่ไม่กลับมือหรอกเอาแต่หัวคิดเนี่ยเออเองทำดีเองทำดีเองทําดีอดนะไรเงี้ยเน่ยมันก็กลับกันอยู่ตรงนี้เพรา ะ, ะเราก็ต้องพยายามรู้ว่าฐานของเราจะใช้แต่มือลงไปลุยคนที่ลุยก็จะรู้ตัวเองแล้ ว, ว่าเออเราก็เบาสบ้างเลิกสบ้างให้หยุดสบ้างก็ไม่ค่อยจะหยุดเลี่ยงไปทําอยู่นั่นแหละ เราก็จะค่อยๆเข้าใจแต่ถึงยังไงถ้าบอกว่าไม่ถึงกับสุขภาพเสียหายแม้จะแก่จะเท่าแล้วก็ให้ทําเถอะเพราะว่าคนแก่ทํางานนี่นะได้ออกกําลังกายได้สรีระได้ออกมากๆพอสมควรนี่นะแข็งแรงได้ออกกำลังาออมากๆนีนะออกกมม่มันเป็นยังไง ร, รู้ไหมดินน้ําลมไฟในร่างกายในผู้ภ า, าภาษาไทยไทยผู้ภาษาง่ายๆนะสรีระทุกอย่างเนี่ยความสูบฉีดความเคลื่อนไหว ความเกิดความผลักดันการสังเคราะห์ทุกอย่างมันจะได้ทํางานได้ถูกสัดส่วนได้มากเพราะฉะนั้นธาตุลมก็จะดีธาตุไฟก็จะดีพูดภาษาโบราณให้ฟังภาษาหมอจะว่าไงก็แล้วไปภาษาโบราณเนี่ยธาตุลมธาตุไฟจะดีคนเราลงธาตุลมธาตุไฟดีนะป้เดียมันก็ไปทำธาตุดินธาตุน้ําของเราในร่างกายดีจริงๆธาตุลมธาตุไฟเนี่ยเป็นตัวสําคัญมากของใน ตัวมนุษย์ธาตุดินธาตุน้ำนั่นเป็นตัวธาตุแท่งธาตุก้อนธาตุวัตถุธาตุวัตถุธาตุธาตุที่เคลื่อนไหวน้อยมันจะปักหลักนะธาตุดินธาตุน้ำเนี่ยส่วนธาตุลมกับธาตุไฟเนี่ยมันจะเป็นตัวธาตุที่ให้เกิดการสังเคราะห์และทํางานมีพลังสร้างสรรค์และก่อความแข็งแรงของรากฐานดินน้ําอยู่ในร่างกายอย่างดีนะคุจะไปวิเคราะห์เป็นธาตุน้ําอย่างหนึ่งธาตุดินอย่างหนึ่งอะไรก็แล้วแต่ ตั้งแต่ยันตะกระดูกมาจนกระทั่งถึงก้อนแข็งก้อนเข้มจนกระทั่งถึงก้อนนุ่มก้อนนิ่มก้อนอะไรขึ้นมาแล้วแต่มันก็จะเกิดการสังเคราะห์กอบกอในสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาเมื่อถ้ายิ่งไม่ออกกําลังกายยิ่งแก่เนี่ยมันยิ่งจะเย็นยิ่งแก่มันก็ยิ่งจะภาวะขับดันทั้งาธาตุลมก็จะน้อยเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดการสังเคราะห์ที่ไม่ได้สัสดส่วนเมื่อไม่ได้สัสดส่วนกระดูกก็นับวันจะผุก็ยยิ่งเย็นก็ยิ่งผุ ยิ่งยุยยิ่งเปลื่อยนี่พูดใดนภาษาง่ายๆให้ฟังนะอาตมาไม่จะพูดภาษาวิชาการเพราะฉะนั้นคนอายุมากขึ้นก็ต้องออกกําลังเหมือนกันต้องทํางานพอสมควรอย่าไปเทเล่นั่งอยากจะไปหยุดอยากจะไปชี้นิ้วอย่างนั้นเร็วเกินไปนักต้องพยายามบอกแล้วว่ า, าธาตุกิเลส ข, ของคนเนี่ยมันอยากทํางานเบามันไม่อยากทํางานหนักมันไม่อยากสกรปรกมันไม่อยากร้อนมันไม่อยากลําบาก รเราะนยบอกว่าพระพุทธเจ้าที่บอกตั้งตนอยู่บนความลำบากเถิดกุศลธรรมจเจริญยิ่งและคำว่ากุศลเนี่ยมไม่ได้มีกุศลแต่จะแค่สร้างก่ออะไรอะไรแบบโลกนะมันมีกุศลทั้งทางจิตจิตจะเป็นปรมัติตยิ่งทําก็ยิ่งจะรู้ความจริงยิ่งทําก็ยิ่งจะเห็นว่าการสัมผัสแต่ต้องเกี่ยวข้องกับทั้งวัตถุนั่จะเกิดชอบเกิดชังกับวัตถุจะเกิดความาลาคาหรือเกิดความติดยึดกับที่กับวัตถุหรือกับคน ก็จะเกิดความชอบกันชังจากคนหรือการผลักการดูดจากคนเกิดสภาพแม้แต่สภาพที่จะก็เหมือนกันกันบวัตถุนั่นแหละแล้วก็จะเกิดสภาพเข้าใจโดยสัดส่วนพอดีแล้วก็เข้าใจเขาเอ อ, เ, อ, อเราไม่ต้องผลักไม่ต้องดูดไม่ต้องชังไม่ต้องรักนะไม่ไม่ต้องไปทไําลายทําลายมันก็จะประมาณทุกอย่างถูกได้ ประมาณสัดส่วนกรรมกิริยาตอบรับกันอยู่รวมกันร่วมกันอนุโลมปฏิโลมเอาแขน่นี้แข่นี้ก็พอเป็นพอไปแล้วก็จะมีศิลปะวิทยารู้แนวโนม้มที่จะเออถ้าทำอย่างนี้กับคนนี้ทําอย่างนี้กับคนนี้มันก็จะทําให้เขาขัดเราตัวเองโดยเขาไม่รู้ตัวเขาว่าเราได้ทําให้แก่เขาแล้วเขาก็จะขัดเราตัวเองเขาก็จะได้รับการเราช่วยเราช่วยทําให้เขาได้รับการปฏิบัติประพฤติ แล้วก็ขัดเกลาึ้นมาได้เสมอๆอาตมาอธิบายเรื่อง4 5 7 8หรือเรื่องโพธิปักขีทมไปจนกระทั่งถึงพุทธาพิเศษก็ตีหัวเข้าบ้านสรุปไปแล้วยังมีรายละเอียดอยู่อีกพอสมควรที่อาตมาอยากจะอธิบายซ่อนรียดละเอียดในแม้แต่เล่ม4 5 7 8นั้นเอาพอสูตสอสามพัสตรไม่ว่าจะเป็นตันหาสูตร ที่บอกว่า อ, าอาวิชชาไม่ใช่ไม่มีอาหารอาวิชชามีนิวรธาเป็นอาหารนิวรธาไม่ใช่ไม่มีอาหารนิวรธามีทุจริตสเป็นอาหารอะไรพวกนี้ไหลไปจกกนกระทั่งอะไรพวกนี้อัตมาก็ยังอยากจะอธิบายเพราะเราได้ฟังจากที่ได้อธิบาย4ี่ห้าเดแปมาแล้วแล้วมันจะเข้าไปสัมพันธ์อย่างไรเข้าไปทําลายอาหารแล้วมันจะเกิดอะไร แล้วมันจะเกิดอะไรต่างๆนานานี่ยังจะอธิบายสูฟังหรือแม้แต่สภาพสูตสุดท้ายที่บอกว่าต้องอาศัยวิเวกอาศัยวิราฆอาศัยนิโรธอะไรต่างๆนานานี่จะต้องอธิบายซ้อนอีกซึ่งอรตมาอธิบายไม่ทันอาจะอธิบายรวบรวสุดท้ายก็จะนั่นมาตีหัวขบานไปแล้วอรมาก็จะอาศัยการบรรยายที่นี่นถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะเอามาใช้อธิบายบ้างแต่ แต่คนมากพระสมควรก็จะเอาหลักเกณฑ์พวกนี้มาอธิบายสู่ฟังเพราะมันเป็นแนวลึกที่ละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปอีก อ, อยากจะอธิบายทิ้งเอาไวา้แต่ก็คิดว่าไม่เป็นรวมก็ได้หรือจะเอาไปรวมกับโพธิปัจจเยธรรมก็ได้เพราะว่ามันก็ที่จริงมันก็เกี่ยวเนื่องกันหมดแล้วโพธิปัจจเยธรรมจะเอาสูตรไหนสูตรไหนสูตรไหนามารวมมาสังเคราะห์เข้าไปประกอบกันถ้าเรียบเรียงเป็นนะครบหมดเพราะว่าไม่มีอะไรนอกสูตรโพธิปัจขเจธรรมไม่มี อะไรนอกสู่ศาสนาพุทธนอกสูตรสี่ห้าเจ็ดแปดแล้วไม่มีไม่มีอยู่ในนั้นหมดเลยแล้วจะสอนกันขั้นไหนก็นแล้วแต่ในศาสนาพุทธก็คือโพธิปัจจยธรรมเนี่ยเป็นสุดยอดไม่มีอื่นอีกหรอกเอามาสังเคราะห์เข้าในนี้ได้หมดนะแล้วก็ค่อยคอธิบายไปค่อยค่อยบรรยายไปนะพวะใครติดตามฟังได้ก็ตามฟังตามตา ม, มีอุตริมนุสธรรมเนี่ยพอตอนนี้มาถึงวันนี้แล้วเนี่ยโอ้โหได้หลักฐานได้อัตมาก็เกิดปฏิพานเห็น ผู้เขียนอุตริมนุษธรรมขึ้นมาเนี่ยอาตมาก็มาดูมาเห็นด้วยกันเลยช่วยส่วนเสริมที่มันมีหลักฐานมีนนมินี่เข้าไปโอ้โหมันกลายเป็นมิติใหม่ว่าที่เข้าใจกันมาหมดเลยว่าสังคมพุทธเนี่ยอุตริมนุษธรรมนี่อวดไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ส่งเสริมอวดได้ก็มีข้อแม้เงื่อนไขที่ละเอียดออ กลายเป็นว่าจริงเงื่อนไขละเอียดลออแต่สรุปแล้วคือส่งเสริมให้อวดอย่างยิ่งตั้งแต่พระพุทธเจ้าในตัวอวดอุตานุธรรมอย่างน่าเกลียดที่สุดเราในระยายเรานี่แหละยอดเทวดามารผมไม่มีไม่ใด่เหนือเราได้ถ้าจะเคารพใครว่าใหญ่ที่สุดต้องเคารพเราจะว่าใครบริศีนบริสุทธิ์ที่สุ ด, สดต้องเอาเราจะมีใครมีสมาธิที่เยี่ยมยอดที่สุดต้องเราตาคาคด ที่มันนี่ไม่ใช่ตถาคตนะแต่ออกท่าออกทางแสดงละครให้ดูตถาคตนี่ยก็คือองค์ตถาคตนะไม่ใช่อัตมาใครเอาปัญญามีปัญญาที่เยี่ยมยอดที่สุดต้องเราตถาคตใครที่จะมีวิมุติเยี่ยมยอดที่สุดไม่มีใครเทียมต้องเราตถาคตลงในเรื่องอวดแต่ท่านไม่พูดอย่างอัตมาเะอัตมาอารมณ์คนเข้าไปใส่หน่อยทําท่าทีรีลาในสถานะคนสมัยนี้ พระพุทธเจ้าก็ไม่ออกแอคทาอย่างอาตมาหรอกเสียงก็ไม่ทําอย่างนี้หรอกพุทธเจ้ า, า tamam สุภาพเรียบร้อยกอ็อาตมาแต่อาตมาเอาให้มันเหมาะสมกับยุคสมัยถ้ามาอย่างนี้แล้วมาทำเมเล่มเลี่ยมเลี่ยมอมันก็รู้สึกว่าไม่เข้าใจชัดมารู้สึกว่า ม, มันมันเขี่ยวนะมารู้สึกว่ามันไม่ถึงอกถึงใจก็ทําให้ดูฮะถ้าจะยกย่องและสรุปแล้วว่าจะยกย่องใครเลิศยอดมนุษย์แล้วก็ไม่มีผู้ใดเท่าเทียมตถาคต จริงๆพระพุทธเจ้าเนี่ยยอดยกตัวยกตนยอดอุดยกอว อ, อุตริมนส ธ, ธรรมอาสาวกให้บรรลือศีรนาฏเลยอะไรต่งตางๆมีหลักฐานมาพร้อมเล่มนี้ก็จะรวมและมีคนพูดถึงเรื่องอุตริมุสธรรมอยู่อีกอีกคนนึงก็เขียนมาอีกคนมันสองคนอาตมาว่าสองบทความนี้เอามารวมกันได้อาตมาไม่ต้องไปนั่งละเลงเองละตอนนี้ดูดูดูแถมพนิษฐให้หน่อยเท่านั้นก็มา พวกเราชักจะเข้าใจแล้วชักจะดีถ้าออกมาจะเป็นมิติใหม่เลยว่ า, าศาสนาพุทธอธิขาใจมาว่าไม่ให้อวดอุตริมุสธรรมนะั่นแหะคีโกงมานานแล้วที่พระเจ้าเนี่ยส่งเสริมการอวดอุตริมุสธรรมอย่างยิ่งแต่ต้องให้ถูกต้องนะถ้าผิดพลาดก็ประราชิกไม่ประราชิกก็ทุกข์กดแม้มีจริงก็ทุกข์กดแต่ถ้าพราะว่าถูกต้องแล้วเชิญทีเดียว ตามกาลเทศะอันเหมาะสมพระพารีย์เจ้าที่มีอุตริมนุษธรรมจริงท่านย่อมมีญาณปัญญาประมาณและรู้จักโอกาสกาลเทศะอย่างแท้จริงเรื่องนี้จะเป็นเรื่องมิติใหม่ที่จะเปิดผู้ที่เขียนอาตมาว่าจะต้องพิมพ์เล่มแล้วก็ออกเผยแพร่แล้วล่ ะ, ละก็ถามว่ามันลูกระเบิดนะจะเริ่มต้นวางระเบิดได้แล้วเหรอั้น อาตมาก็บอกได้วางได้แล้วแต่เผื่อสุนกนี้อาตมาคิดว่าอาตมาเหมือนกับ จ, จอมยุทนะธ์นะนะอาตมาจะต้องแพ้พิษนี้ได้แล้วเพราะอาตมามียาแก้พิษแล้วเพราะฉะนั้นเอาพิษนี้ไปใช้ได้แล้วถ้ามีพิษไปใช้แต่ว่าตัวเองก็ไม่มียาแก้พิษแม้แต่ตัวเองตัวเองก็ตายแต่ถ้าเผือเรามียาแก้พิษได้เราก็เผยเผยแพ่ยาแก้พิษได้แล้วเราสามารถที่ว่ายอมไหยอมมามโดยยาแก้พิษแล้นี่ยาแก้พิษอยู่นี่ ยอมว่าเราก็แก้เขาได้แก้ไขได้ถ้าไม่ยอมตายอเอาค่อยว่ากัน